สิ่งที่สังคมบัญญัติเมื่อมองจากแง่ของกรรมณิยามอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทคือหนึ่งสิ่งที่บัญญัตินั้นไม่เกี่ยวกับกุศลและอกุศลในกรรมณิยามโดยตรงแต่สังคมบัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสองค์อย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมเอง